นหนึ่งก็เป็นอันว่าเรื่องยานกับอารมณ์ของยานเนี่ยมันต้องได้ดุลกันนะต้องได้ดุลกันคือหมายความว่าดุลทงศักยภาพอย่างนามรูปเนี่ยมันมีความเป็นอนิจังอยู่ข้างในถ้ายานไม่ลึกซึ้งพอไม่คมพอแทงลึกเข้าไปเห็นอานิจังทุกขังหน้าตาไม่ได้นั้นที่เห็นสามัญลักษณะได้อย่างลึก ก็เพราะยานนั้นลึกเพราะนั้นอเวลาพระผู้มีพราภาคทรงประกาศพรหมมาจากธรรมจกักรเนี่ยอันที่บอกว่าความเป็นธรรมจกักรลึกซึ้งด้วยประการสองอย่างประการอย่างหนึ่งคือเทศนาลึกซึ้งหมายถึงบทบรรยายลึกสองยานลึกซึ้งคนผู้ที่ยานไม่ลึกพูดลึกไม่ได้ คนตื่นพูดตื่นแสดงบุคลิกตื่นคนมียานลึกพูดลึกแสดงบุคลิกลึกบางคนก<ม>็ลึกมากจนหยั่งรู้ได้ยากนะฮะอย่างเช่นว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่หยั่งรู้ได้ยากเพราะเป็นคนลึกก็ไม่ใช่ว่าทุกคนรู้ไม่ได้แตหมายว่าคนที่มียานปัญญาตื่นอย่างอรหันต์ไม่ได้แต่อรหันต์ด้วยกันหยั่งอรหันต์ด้วยกันได้ก็หมายว่าอรหันต์ที่จะมาหยั่งก็ต้องลึกเท่าอรหันต์ที่ถูกหยัง่งจึงหยั่งกันได้ ดังนั้นอานิจังทุกขังอนัตตาที่เป็นอารมณ์ของปริยัติเนี่ยเราก็ฟังกันมาจนโชคชนจำกันได้ขึ้นใจแม้ตายก็ไม่ลืมแต่เราไม่มียานในสิ่งเหล่านั้นถึงคัดเราก็จึงเข้าใจไม่ได้เพราะ เราไม่มียานคือเอาง่ายๆว่ะตัวเราทั้งตัวนี่คือก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมอยู่กับเราตลอด24เฮะแล้วทำไมถึงไม่เห็นมันสัทีถ้าคนไหนร่างกายสูงตัวใหญ่ก็หมายถึงก้อนอนิจจังเยอะครูเยอะยอพูง่ายสเสบียงเยอะคนไหนตัวเล็กหน่อยเตี้ยหน่อยก็ก้อนอนิจจังเล็ก ถามว่าได้เปรียบกันไหมเสียเปรียบกันไหมไม่ได้เปรียบไม่เสียเปรียบคือมันไม่ใช่ข้ออ้างดี่จะมาให้ได้เปรียบเสียเปรียบของเรื่องนี้นั้นจึงอยู่ที่การอบรมญาณให้เห็นนะญาณเราถึงเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้อุทยาวยะที่ท่านเรียกเป็นชื่อญาณสี่แล้วก็ที่จริงก็เห็นตั้งแต่ญาณสามแล้วนะแต่ว่าญาณสามเนี่ยยังไม่ถึงขณะเป็นการเห็นเป็น สัน ต, ติกลุ่มก่อนมีอุปาท่าขณะขณะเกิดทีติขณะขณะตั้งอยู่พังคาขณะขณะดับไปไอ้ขณะทั้งสามเนี่ยความจริงมันอยู่ในสภาวะทำหน่วยเดียวกันที่เหมือนกับตัวเราคนเดียวอาการตอนเกิดเมื่อเกิดนะเหมือนกับอาการตอนเกิดก็คือตัวเรานั่นแหละและตอนตายไปก็อาการตอนตาย ก็คือตัวเรามันไม่ได้แปลว่ามีสามชีวิตซ้อนอยู่ในชีวิตของเราระหว่างนั้นก็เป็นเกิดคือไอ้ขนาดเกิดนี่จะไปเกิดเป็นขนาดเกิดของอะไรก็มักจะอายุน้อยเสมอนะขนาดตายก็อายุน้อยขนาดตั้งอยู่เนี่ยอายุจะเยอะโดยธรรมดานะครับนามรูปงก็เช่นเดียวกันชีวิตเรายิ่งอายุยืนขนาดตั้งอยู่ก็มากเพราะฉะนั้น ขณะจิตเนี่ยขณะตั้งอยู่เดี๋ยวเดียวขณะเกิดขณะดับก็เดี๋ยวเดียวรูปขณะเกิดขณะดับเดี๋ยวเดียวแต่ขณะตั้งอยู่นานกว่าจิตสิบเจ็ดตอนหนึ่งที่เรารู้ใครที่เคยฟังก็จะนึกออกใครไม่เคยฟังก็เพียงจะให้รับทราบว่ารูปขณะเกิดของรูปขณะเกิดของจิตนี่ยเท่ากันขณะดับของรูปกว่ของจิตเท่ากันโดยโดยอ่ะ เวลาแห่งขณะนะการละแห่งขณะแต่ขณะตั้งอยู่ของรูปมากกว่าขณะจิตน้อยกว่าเพราะจิตเกิดดับเร็วพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วข่าวหน้า่ะจะมีเอกสารหลักฐานในเรื่องความเกิดดับในชั้นคำพระพุทธเจ้ามาแจกวันนี้ผมคงจะแค่ได้อน่านให้ฟังออกข่าวหน้าไม่แจกนะเพราะว่าข่าวหน้าหยุดต้องข่าวนู้นนะฮะพวก หลักฐานว่าการรัดนิ้วมือเดียวแสนโกกขณาอะไรแต่ไรเนี่ยที่พูดพูดกันเนี่ยเออ่ท่านมาฟังนี่แล้วท่านจะได้หลักฐานจริงๆคำต่อบคำ <c oughs> ก็ตรงนี้ผมเทียบให้ดูว่าในยานที่สี่เนี่ยไม่กล่าวว่าเห็นตั้งอยู่เพราะอะไรเพราะเห็นตั้งอยู่เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วใช่ไหมฮะ ย่านหนึ่งก็เห็นอยู่แล้วและการเห็นว่าตั้งอยู่ถ้ายังไม่เห็นเกิดเห็นดับไอ้ความตั้งอยู่มันก็ไม่ได้เห็นแบบไอ้ยอดของมันจริงๆใช่มะเพราะมันไอ้ที่เรารู้สึกว่าโกรธโกรธโกรธอยู่เพราะมันตั้งอยู่มันยืนยืนอยู่แต่ไม่เห็นจุดขาดเราก็เห็นว่าเหมือนแต่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ต่อต่อต่อตกันเห็นตั้งอยู่เป็นผืนเดียวกันจริงๆมันไม่ต่อกันอย่างที่เราเห็นนะนะเวลาเราโกรธที่เป็นต้นแต่ว่า เวลาพอเราเห็นจุดเกิดจุดดับเนี่ยเราก็จะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขึ้นมนแล้วแต่หยาบแล้วแต่ละเอียดแต่ว่าในายา น, นี้ท่านเอาละเอียดนั้นจึงเอาเฉพาะขนาดเกิดขนาดดับเป็นอุทยาวยญญนี่โดยขดัณะ์คราว น, นี้เกิดดับกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นคนละเรื่องหรือเรื่องเดียวกันเกี่ยวกันไหมฮะ คนไม่เห็นเกิดดับไม่ปลาโลกเกิดดับจะพูดว่าอนิจังทุกขังอนัตตาได้ไหมไม่ได้ครับต้องเกี่ยวข้องกับความเกิดดับแต่ในเรื่องนี้มันมีไอ้พลความเยอะผมเอาจะแค่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าไอคําว่าอย่างอนัตตาเงี่ยอนิจังทุกขังมันไปผูกพันกับอะไรอย่างอื่นบางอย่างด้วยแต่ไอในสภาวะทำจริงๆอย่างเช่นผูกพันกับเหตุปัจจั ย, ยนี่ะใช่ไหม เหตุปัจจัยมันก็เกี่ยวข้องกับอนิจังทุกขังหน้าตาอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นเรื่องอสภาวะด้านในเลยจะผูกพันอยู่กับความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกล่าวคื อ, อพังค่าขณะเนี่ยเป็นอนิจังเพราะดับไปอยู่ทุกขังเพราะไม่อาจทนได้อยู่หน้าตาเพราะไม่อาจบังคับดัจริงไหมฮะขณะดับเป็นอนิจัง สิ้นไปมีแล้วหมดไปอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วก็เป็นทุกทนทนทนได้ไม่ได้ทนจะอยู่ก็ไม่ได้แล้วก็ใครบังคับได้ให้อยู่บังคับไม่ได้อุปาทถีติยังไม่ถึงขนาดดับจะดับไหมจะดับขนาดจิตเกิดโผล่เข้ามาพรดเนี่ย แล้วตั้งอยู่ยพูดถึงหยุดดับไหมก่อนจริงๆมันไม่เชื่อแล้วหรอก ล, ล้วก็หยุดไว้ก่อนเห็นเกิดเห็นตั้งอยู่เนี่ยดับไหมจะดับไหมจะดับจะถึงความเป็นอนิจจงแล้วก็จะทนอยู่ไม่ได้จักทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ใครก็จับบังคับไม่ให้ถึงขณะดับก็ไม่ได้ มันก็เลยผูกพันกันอย่างนี้เอาเอาเป็นส่วนเทียบโดยหลักสั้นๆไว้เท่านี้ก่อนเอาล่ะครับคราวนี้เรามาพูดกันถึงโดยนัยยะของการปฏิบัติเห็นเนี่ยนะนี่จะ อ, อธิบายวรวมก็ไปทุกอย่างในในประเด็นที่เก้าที่อุดยะวิยะกับไตรลักษณ์คือความเกิดดับเนี่ย ที่พูดผูดกันอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิปัสสนาโดยสิ้นเชิงมันมีหลายชั้นอย่างเช่นอันตภาพหนึ่งคือความเกิดความตายของชีวิตในภพนั้นก็เรียกว่าเกิดดับพระพุทธเจ้าตรัสถึงอย่างนี้ไว้เป็นอันมากเป็นการกล่าวโดยในชั้นของเบื้องต้นเบื้องต้นของคนที่จะเพิงปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะ ก็จะกล่าวในในแง่นี้แล้วคนที่ปฏิบัติไปเห็นรายละเอียดแล้วก็สะท้อนออกมากําหนดไอเห็นไอส่วนรวมๆอย่างนี้ด้วยนี่เป็นเรียกว่าเป็นความเกิดดับของนามรูปในส่วนหยาบที่สุดถ้าจะถามว่าใครที่ปฏิบัติ ด, ดําเนินเจริญรอยตามนี้ว่าความเกิดดับอย่างนี้แล้วก็เห็นอย่างนี้อาศัย ความเกิดดับอย่างหยาบๆนี้แล้วก็เข้าไปถึงความเกิดดับอย่างละเอียดจนกระทั่งบรรลุเป็นพระล้านมีหลายคนอและพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ความเกิดดับของชีวิตทีวิตหนึ่งเนี่ยมาเป็นเบื้องตน้นให้กับบางคนบรรลุเป็นพระรานที่ทรงใช้วิธีเดียวกัน ในธรรมบทเล่าไว้สามลูกหนึ่งพระนางเขามาเราเคยเอ่ ย, อยชื่อถึงท่านนี้แล้วที่สวยและฉลาดแล้วก็เป็นอัคราหมายมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารสองคือเจ้าหญิงอภิรูปนันธาอภิรูปนันธา ผู้พอใจในรูปผู้หลงรูปอย่างยิ่งเมาในความสวยงามอย่างยิ่งเป็นที่ดาของเจ้าสาักยะมีพระนามว่าเขมกกปอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งคือเจ้าหญิงสุนทรีนันธาเป็นที่ดาในหมู่พญาติพระพุทธเจ้าเหมือนกันอ่า นางเขมาเรารู้ว่าออกบทยังไงยังไงนะเคยเล่าแล้วทีนี้ก็พูดถึง เ, เจ้าหญิงสององค์นั้นหน่อยที่ชื่อคล้ายกันแล้วก็จริตเหมือนกันในสามคนในจริตเหมือนกันต่างแต่ว่านางเขมาน่ยมีปัญญาจริตด้วยแต่ว่าตอนนั้นยังมีความหลงในความสวยงามอยู่อย่างเจ้าหญิงอภิรูปนันธานเนี่ยก็เจริญเติบโตมาจนถึงวัยจะมีคู่ครองก็ มทนพี่ธีมั่นกับเจ้าชายสากะยะที่มีฐานะทุกอย่างพอพอเสมอการมันก็เกิดเหตุร้ายขึ้นมา อ, อวันแต่งวันไม่ใช่วันแต่งงานวันมั่นเนี่ยครับพอมั่นเสร็จเจ้าเบาตายเลยครับไม่ไม่รู้ว่ามันตรงกับวันวันสุริยุปราคาหรือเปล่าตายเลย นี่พอตายแล้วทําไงล่ะครับแหมสังกูบินเดียนเขาคงถึอสาอะไรกันมากนะพ่อแม่ก็อายก็เกิดความสึกเพราะอย่างนี้แล้วถ้าจะไม่ดีแล้วดีดีว่าเขาตายแล้วลูกไม่ตายเอาอย่างงี้แล้วกันลูกไปบวช ด, ดีกว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าไปโปรดแล้วเสด็จไปกับบิลพัทแล้วแต่ว่าตอนนั้นพรลาหุนอะไยังไม่ได้บวชหรอกก็ลูกสาวก็ จำใจบวชไม่ได้บวช ด, ด้วยกวารสมัครใจก็ไปบวชเป็นนางสิก ข, ขามานาก่อนเป็นเรียกว่าเตรียมพิกษุณีก็ไม่คอยอยากมาฟังเทศอ่ะเป็นคนที่หลงตัวจัดก็อย่างที่รู้บุทธเจ้าทรงตำหนีอานิจังทุกฟังตาเลือกอสุภาอะไรนี่เป็นอาจินก็ไม่อยากไปวันหนึ่งก็ทนกระแสสังคมไม่ได้ ก็ไปไปก็ฟังอย่างแอบแอบังไม่อยากจะให้เห็นคืออย่างว่านะคนเราเนี่ยถ้าพระเทศเรื่องอสุภะเรื่องความไม่สวยไม่งามคนไหนเป็นคนสวยเป็นพิเศษแล้วมันั่งเหมือนด่าอยู่คนเดียวอยู่คนนั้นคนเดียวถ้าทีประชุมนั้นมีผู้ชายอยู่คนเดียวเพ ร, ะพราะผู้เจ้าตรัสถึงความไม่ดีผู้ชายก็เหมือนดา่าผู้ชายคนนั้นอยู่คนเดียวเรื่องอะไรจะมานั่งให้พระเจ้าว่าเสียหน้าก็าเลยต้องหลบหลบหน้าฟังปรุงพระเจ้า ก็รู้ก็ใช้วิธีเดียวกันกันกบที่ใช้พระนางเก ม, มาแล้วก็เจ้าหญิงสุนทรีนันทามกันนี่บวชตามเพื่อนตอนนั้นน่ะพวกเจ้าหญิงเจ้าชายหลายคนไปบวชพระลาหุนก็ไปบวชเออคิดเอเราจะเสียสังคมก็จะต้องไปตามเขาด้วยก็เลยไปบวชตามเขาบมดแล้วก็ก็อย่างว่าตำราดเดียวกัเจ้าหญิงอับพี่รูปนันทามกันพระพุทธเจ้าท่านก็เลยเนรมิต นางฟ้าที่สวยงามบวาตัวเองเยอะแยะให้ดูแล้วค่อยๆแก่จะลาไปตามดับจนทั้งสิ้นชีวิตต่อหน้าต่อตาไอ้ตรงนี้น่ะไม่ใช่อารมณ์วิปัสสนาแท้แต่เป็นการเห็นเกิดดับความจริงเป็นเพียงภาพสมมติเท่านั้นเองเข้ามาแต่เห็นแล้วเนี่ยนางได้เกิดนึกเข้ามาหาแต่ละคนแต่ละคนที่มีจริตเดียวกันแล้วก็ เกิดความเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมบรรลุในที่นั้นบ้างบรรลุหลังจากนั้นบ้างก็มีแตกต่างกันไปนี่เป็นหลายหนึ่งเป็นเป็นกรณีหนึ่งนะที่ถือว่าเรื่องอย่างนี้ใช้ได้แรณนี้ถ้าคนปฏิบัติไปจนทั้งเห็นความเกิดดับอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เขาจะมองความเกิดดับอย่างเป็นเป็นสันตติก็ได้อย่างเป็นชีวิตก็ได้ถือว่ามองจุดเกิดแล้วมองไปสู่จุดดับ อย่างเวลาพระพุทธเจ้าทรงระลึกชาติของบุคคลอื่นเนี่ยหรือของพระองค์เองก็จะตั้งปฏิสนธิจิตขึ้นแล้วก็ตั้งจูติจิตขึ้นจากจิตหนึ่งกระโดดไปสู่จิตหนึ่งแล้วก็กําหนดล่ว่นั่นคือชาติหนึ่งชาติหนึ่งก็ได้หรือพระสาวกที่มีความสา ม, มารถจานานในการระลึกชาติได้ก็ระลึกลักษณสอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะตายเมื่อไหร่ กำหนดถึงจุ่สีจิตของตัวนั่นก็เป็นความดับที่ไม่ได้มองอย่างถี่ยิบมองแล้วก็เลือกมองเอาได้ตามใจชอบผู้ที่ชานาญแล้วก็สามารถจะไปมองได้ในลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นคนทําใหม่ก็ อ, อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเอื้ออํำนวยต่อการกําหนดรู้ย้อนเข้าไปภายในทีนี้ในกรณีของการกําหนดเป็นช่วงๆนี่ผมจะยกตัวยอย่างในสมัยก่อนให้ฟังนะ อ่าที่ว่าเห็นความเกิดดับเป็นช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งตัวอย่างก็คือกรณีของนางป a จระรเอ้ยถึงนางวปจ t ราเราก็จําชื่อนางขึ้นใจรู้ว่าใครเป็นยังไงไมายังไงรู้วัวตายเดินแก้ผ้าแก้ผ่อนผ่านมาที่พระเชตวันคนไล่รู้ได้เจ้าเรียกแล้วก็ทรงตรัสเรียกสติก่อนนะแล้วเสร็จแล้วจึงได้ทรงแสดงพระคาถา สั้นๆซึ่งนางฟังแล้วเนื่องจากว่ามีวิสัยประมีที่อบรมมากมากก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในที่นั้นบรรลุโสดาบันก่อนจากนั้นนางก็ได้ขอบวชบวชแล้วก็ได้ไปหลีกเล่นเจริญวิปัสสนาที่ได้สมาทานมาจากพระพุทธเจ้า และวันหนึ่งเป็นวันที่นางได้บรลารลุพระอรหันต์บรรลุด้วยปลารลบอย่างไรที่ไหนตอบว่านางเมื่อจะขึ้นสู่ที่กุฏิที่พักได้ตักน้ำล้างเท้าตักสามขัน คือไอ้ที่ที่นางปลูกกุติอยู่เนี่ยเป็นที่เนินแล้วก็ไอ้ที่ล้างเท้านะ่นคงมันมีหล่องน้ําไหลลงมาสู่ที่ต่ำอันนี้เราต้องกระใจว่าสมัยสมัยก่อนกุฏิสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เราจะอยู่ได้เวลาจะขึ้นจะลงแล้วไม่ต้องล้างเท้าอยู่สมัยนี้นนะฮะอยู่กับดินกับทรายก็ตักขณะนั้นนะ่ะกำลังพิจารณากรรมาฐานอยู่เป็นปกตินะฮะ ก็รางเท้าด้วยขันที่หนึ่งน้ำก็ไหลไปหยุดอยู่ที่หนึ่งแล้วก็แห้งหายไปก็พิจารณาคือมันเข้ากับไอชีวิตของนางเลยนางในมีลูกสองคนมีสามีสามีตายก่อนลูกก็จริงแต่ว่าไม่ได้ตายในปฐมอวัยใช่ไหม ลูกตายที่หลังสามีก็จริงแต่ตายในปฐมวัยนางก็นึกถึงลูกว่าลูกตายในปฐมวัยแล้วก็นึกว่าแม่เราเองเมื่อเวียนว่ายใจเกิดอยู่บางชาติก็ตายในวัยนั้นวนัยนี้แม้สัตว์เราอื่นก็เหมือนกันที่มีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ก็ตายในวัยนี้วันนี้แตกต่างกันนะแล้วก็ตักน้าขันที่สองลาดก็นึกถึงสัตว์ผู้ตายในวัยสองแล้วก็ น้ำขันที่สามตักลาดน้ำทอดยาวออกไปอีกจึงซึมเข้าไปในดินก็นึกประสาทผู้ตายในปฏิมาวัยก็มีไอ้คิดอย่างนี้ทีแรกเนี่ยคือบทบรรยายในนั้นเนี่ยว่าไว้ชัดเลยว่าเห็นไอ้ปรากฏการข้างนอกความสิ้นไปของน้ำที่ตัวเองตักขึ้นมา นึกกลับเข้าไปถึงในทางลึกว่าแม้นามรูปของเราเนี่ยมันเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็มีที่สุดเกิดขึ้นแล้วก็มีที่สุดตั้งวิปัสสนาขึ้นได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ที่ตรงที่ล้างเท้านั่นเองจะเรีย ก, กว่าไงดีอรหันต์บรรลุเป็นพระอรหรันต์ที่ตรงที่ล้างเท้า นี่เป็นเป็นลายที่ผมยกตัวอย่างมาเล่าประกอบทีนี้กรณีของสันตติคือการสืบต่อหนึ่งหนึ่งการสืบต่อหนึ่งนงในขณะเกิดของรูปของนามเนี่ยมีความหมายโดยสั้งเขตอย่างที่ว่าแต่ที่ผมจะมากล่าวให้ฟังเนี่ยผมมีเนื้อความในพระสูตรหนึ่งที่ค่อนข้างยาวนะครับ คงจะอ่านบรรยายแบบเรียนพระสูตรคงไม่ได้คือเรื่องเรื่องที่ท่านกล่าวถึงพระผู้เจริญมรณานุสติความจริงการเจริญมรณานุสติอย่างที่เราเข้าใจกันอยู่ในทางเรียนท่านพระพิธรรมเนี่ย ท, ทั่วไปเนี่ยก็นึกว่าเป็นเรื่องอารมณ์ของสมถะอรรมฐานก็ใช่แต่ว่าผู้ปฏิบัติยางสมัยก่อนเนี่ยหักเป็นอารมณ์วิปัสสนากรรมฐานได้ และคนเจริญมรณสตินั้นบางคนก็กําหนดความเกิดความตายอย่างหยาบๆไม่เท่ากันเอเกี่ยวกับเรื่องพระสูจนที่ขอผเจะ ว, ว่าให้ฟังเนี่ยพระผู้มีพระภาคได้ทรงชักชวนแก่พิสูจนทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายมรณสติอันพิสูจนเจริญแล้วทําให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่มรรตคือไปนิพพานได้ มีนิมีอมตะเป็นที่สุดอมตะนี่เป็นชื่ออันนี้ผ่านเธอทั้งหลายย่อมเจริญมรณสติหรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้ก็ปรากฏว่ามีภิกษุหกลูกด้วยกันครับตอบว่าเจริญมรณสติแต่วิธีการเจริญมรณสติไม่เท่ากันละเอียดไม่เท่ากันพระพุทธเจ้า ไม่อนุโมทนาทั้งหมดอนุโมทนาสองรูปสุดท้ายรูปหนึ่งก็กราบทูลว่าข้าพระองค์เจริญมนณาสติพระพุทธเจ้าค่ะก็จะถามว่าเธอเอจเริญอย่างไรพระก็ทูลว่ า, าข้าพระองค์ได้มณาติการอย่างนี้ว่าชีวิตของเราเนี่ยพึง เ, เป็นอยู่ได้ตลอด วันหนึ่งกับคืนหนึ่งคิดว่าอย่างไงองค์ที่สองกราบทูลว่าอยู่ตลอดครึ่งวันไอ้วันหนึ่งคืนหนึ่งคือหมายถึงกลางวันกลางคืนองค์นี้บอกว่าครึ่งวันคือไม่ใช่ครึ่งกลางวันนะกลางวันหรือเป็นครึ่งวันกลางคืนเป็นครึ่งองค์ที่สามกราบทูลว่า พิจารณาว่าเราพึงเป็นอยู่ด้วยชั่วบินธบาทมือหนึ่งอาหารมือหนึ่งอีกองค์หนึ่งองค์ที่ที่สี่ทูลว่าดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยคําข้าวสี่คำอ น, นี้ใช้คําว่าสี่คำที่กลืนองค์ที่ห้ากราบทูลว่าข้าวคําเดียวที่กลืนชีวิตตั้งอยู่ได้ด้วยข้าวคำเดียวที่กลืน องค์ที่หกกราบทูลว่าช่วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสปฏิเสธองค์ที่หนึ่งถึงองที่สี 4, ว่ายังทําไม่ดียังขี้ว่าประมาทอยู่ตรัดรับรององที่หกกับที่เจ็ดว่าทําดีแล้วไม่ประมาทแล้วเ อ, อตรงนี้นะผมจะอธิบายอันหนึ่งเพราะว่าผมเคยเข้าใจผิดมานาน เมื่อสอนวิสุทธิมักก็ไม่ได้เฉลียวใจวิสุทธิมักไม่ได้ยกสูตรนี้ไปเพียงแต่อ้างลอยๆสั้นๆแล้วก็ในวงการเนี่ยก็ย<ม>ังเข้าใจกันผิดอยู่จนบัดนี้ขนาดว่าเมื่อก่อนหน้านี้มีพระท่านบอกว่าท่านจะไปออกวิทยุเรื่องมรณาสติเนี่ยท่านเคยได้ยินว่ามีพระพุทธเจ้าตรัสอยากได้หลักฐานอยูที่ไหนผมก็อุตส่าห์แฟกไว้ให้ท่านก็อยู่ที่ตอนนั้นก็สักปีมาได้ผมก็ยัง ยังไม่ได้คิดว่ามั น, ม, นมันคืออะไรพราคือเนื่องจากว่าการพิจารณาความตายอย่างที่ว่าคนจะพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราเคยคิดเราแวงว่าเป็นไปได้อย่างไงไม่มีใครทําได้อย่างที่เราเข้าใจพระพุทธเจ้าบอกให้ทําทุกลมหายใจก็ออกไม่มีใครทําได้และว่าที่จริงไม่ควรทําอย่างนี้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อโดยทุกคนด้วยเพราะอะไร มีใครบ้างทําได้ทุกลมแม่ยาก็ออกถึงเวลาตื่นกเ็เถอยังพระเนี่ยท่านก็นต้องทํากิจอะไรตระไรของท่านอย่างอื่นใช่ไหมมีกรรมฐานอย่างอื่นต้องทำและอาจจะเข้ากรรมฐานอย่างอื่นเท่ากับพูดที่ได้กรรมฐานเพราะฉะนั้นสูตรนี้ไม่ได้บอกว่าให้ไม่ได้พูดถึงอัตราการกระทําว่าจะทําในอัตราความถี่ห่างแค่ไหนนะ สูตรนี้บอกว่าการพิจารณาอายุของชีวิตต่างหาว่าชีวิตเราเนี่ยตั้งอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนความจริงในวิสุทธิมรรคพูดไปถึงว่าตั้งอยู่ได้ขณะจิตเดียวนี่เป็นการพูดถึงเนื้อในของชีวิตที่มีอายุสั้นที่สุดใครปราลบพิจารณาเข้าไปถึงจุดนี้ชื่อว่าเห็นความดำลงอยู่ของชีวิตอย่างดีที่สุด เห็นด้วยความไม่ประมาทที่สุดแต่ถ้าใครคิดว่าชีวิตเราเนี่ยตั้งอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายประมาทถ้าคิดแค่นี้แล้วประมาทนะยังไม่กําหนดเห็นความแตกดับของชีวิตอย่างละเอียดทีนี้ภิกษุทั้งหกองค์เนี่ยก็พิจารณาเห็นว่าชีวิตเราดํารงคืออายุชีวิตเราจริงๆเนี่ยมันสั้นแค่ ลมหายใจเขาออกหายใจเข้าออหาย ใ, ใจออกแค่กลืนคำข้าวคำหนึ่งในทางในสูตรนี้นะพูดแค่นี้แล้วก็ทรงสันเสริมสองพวกสุดท้ายนี้เพราะนั้นเรื่องนี้สูตรนี้จึงไม่ได้หมายถึงความถี่ห่างของการกระทำมรณสติแต่หมายถึง การกำหนดเห็นความแตกดับของชีวิตละเอียดหยาบกว่ากันแค่ไหนนะฮะถึงอย่างไรในสูตรนี้ก็เป็นแต่เพียงบอกสันตติของรูปของหนาที่มันเกิดมันตายเนี่ยว่าชั่วคำข้าวคำหนึ่งก็มีเกิดมีตายเราต้องเห็นความเกิดความตายในคำข้าวคำหนึ่งและชั่วหายใจเข้าหรือหายใจออกก็เป็น สันตติข้างนามรูปช่วงหนึ่งที่คนเห็นขั้นละเอียดหน่อยก็จะมองเห็นอันนี้ถือเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาแล้วกาหนดไปจนกระทั่งเห็นขณะจิตในขั้นละเอียดต่อไปในสูตรนี้ไม่ได้พูดถึงอนี่เป็นเนื้อความในสูตรที่กล่าวโดยสรุปเอาละอันนี้ว่าต่อไป ที่กล่าวถึงว่าความเกิดดับในขณะหนึ่งหนึ่ ง, น, งนี่ถือเป็นหน่วยย่อยที่สุดนะและเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่สมบูรณ์คือยานที่สี่ผมขออ่านเนื้อความในประสูตรให้ฟังอันนี้ก็ขอให้ฟังกันเป็นแบบหลักฐาน ที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ฟังเป็นแบบหลักฐานบ่อยนักแล้วก็มาสัปดาห์น้นจะแจกให้ทั้งหมดนะแต่พระสูตรนี้นะเป็นสูตรที่ทรงตรัสถึงการอย่างเห็นความเกิดความดับของรูป อั่นที่ผมพูดตามอัตกรถาอธิบายตรัสว่าความเกิดดับของรูปเนี่ยเร็วมากเป็นการกล่าวด้วยอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานผมขออ่านทั้งหมดเลยนะเพราะว่าไม่ยาวมากนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนวิสูทั้งหลายนายคำหมังธนูสี่คนถือธนูอันมั่นคงได้ศึกษามาดีแล้ว เป็นผู้มีความชำนาญเป็นผู้มีศิลปะอันได้แสดงแล้วยืนอยู่แล้วในทิศทั้งสี่ถ้าบุรุษพึงมากล่าวว่าเราจักจับลูกธนูทั้งหลายที่นายขมังธนูทั้งสี่เหล่านั้นยิงมาจากทิศทั้งสี่ไม่ให้ตกถึงแผ่นดินเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่ควรจะกล่าวได้ว่าบุรุษผู้มีความเร็วประกอบด้วยความเร็วอย่างยอดเยี่ยม คือไม่ควังกระจมยไหมไม่ต้องอธิบายอันนั้นเป็นอุปมาต่อไปตรัสว่าพระผู้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญถ้าแม้บุรุษจะพึงจับลูกธนูที่นายขมังธนูเพียงคนเดียวยิงไม่ให้ตกถึงพันดินก็ควรจะกล่าวได้ว่าบุรุษ ผู้มีความเร็วประกอบด้วยความเร็วอย่างยอดเยี่ยมจะกล่าวไปใหญ่ถึงการจับลูกธนูทั้งสี่ลูกที่นายคำมังธนูสี่คนยิงจากทิศ ท, ทั้งสี่เข้าใจใช่ไหมื <c oughs> อเรียว่าแต่สี่เลยคนเดียวก็ย ก, ยกต้องย ก, กว่าเร็วมากแล้วอันนี้เป็นอุปมาในลักษณะทางปลายดังกันมาต่อไปตรัสว่าดูก่อนวิกสูตทังหลายก็เหมือนกันเหมือนอย่างวา ความเร็วของพระจันทร์และพระอาทิตย์เร็วกว่าความเร็วของบุรุษนั้นนี่แปลว่าถ้ามีบุรุษนั้นเร็วอย่างนั้นจริงๆเนี่ยยังเร็วเท่าความเร็วของพระจันทร์พระอาทิตย์ไม่ได้พระจันทร์พระอาทิตย์โครจรในวิถีโครจรเร็วกว่านั้นแล้วตัดต่อไปว่าความเร็วของพระจันทร์หรือ อพระอาทิตย์เร็วกว่าบุรุษนั้นความเร็วของเทวดาที่ไปข้างหน้าพระจันทร์พระอาทิตย์เร็วกว่าความเร็วของบุรุษและความเร็วของพระจันทร์และพระอาทิตย์ฟังรู้เรื่องเงี้ยมันิดเป็นการค่อยๆ เอาเรื่องที่คนพอเข้าใจได้เนี่ยนะมาเทียบให้เห็นว่าเรื่องเร็วเร็วของเร็วไวของไวยังมีไวเหนือไวเร็วเหนือเร็วทีนี้ตรงนี้แหละครับเป็นการประกาศอารมณ์ของวิปัสสนาว่าอายุสังขารสิ้นไปเร็วกว่าความเร็วนั้นๆทั้งหมดก็ไม่ได้บอกเป็นตัวเลขแต่บอกว่าเร็วมาก นิบถือเป็นหลักฐานที่หนึ่งเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละคำว่าไม่ประมาทอยู่ตรงนี้คืออะไรพึงศึกษาไม่ประมาทหมายถึงวิปัสสนานี่ใครที่ยังไม่ได้ทำวิปัสสนาก็อย่าประมาททำทาเพื่อให้เห็นเห็นเพื่อให้นาย คำว่าอายุสังขารที่ทรงตรัสในพระสูตรเนี่ยถ้าเราอ่านดูเฉพาะในพระสูตรเราก็นึกว่าน่าจะหมายตั้งรูปตั้งนามแต่อรตกระถาท่านบอกว่าพระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาเพียงรูปเท่านั้นไม่ได้หมายเอานามด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องคุณธประสงค์ในพระสูตรนี้พระทรงพูดเทียบรูปกับรูปแปลว่าอรตกระถาท่านว่าไงครับว่าบทว่าอายุสังขารา ท่านกล่าวหมายเอารูปชีวิตตินสีจริงอยู่รูปชีวิตตินสีนั้นสิ้นไปเร็วกว่าความเร็วของเทวดานั้นเทวดากับพระพาธิตย์รเร็วกว่ากันไม่เร็วกว่าลาหูเจ้าอมอาทิตย์ในเลยนี่ ผมยกตัวอย่างที่หนึ่งทีนี้อีกที่หนึ่งครับตรงที่ตรงนี้แะครับจะเป็นหลักฐานมีหลักฐานเรื่องกระดิกนิ้วมือเดียวยกระดิกนิว้วรัดนิ้วเดียวอัญชล า, าเดียวจิตเกิดดับแสนโกรดขนาดเนี้ยผมก็สงสัยจริงว่าเอ๊ะเขาเอาที่ไหนมาพูดสงสัยมานานนะแล้วก็ตอนหลังเราถึงมาเจอหลักฐาน เป็นพุทธพจน์หรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยก็เคยสงสัยเอาทีนี้ตรงนี้นะเกี่ยวข้องกับพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสประกาศถึงเกิดความเกิดดับของทั้งรูปและนามว่าเกิดดับเร็วแล้วก็เทียบกันด้วยเทียบกันว่าอันไหนหยาดอันไหนละเอียดกว่ากัน พระสูตรนี้พระพุทธพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจะพึงเข้าไปยึดถือเอากายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาบุตรูทั้งสี่นี้โดยความเป็นตนยังชอบขวาแต่การเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตนหาชอบใหม่ พอนั้นเพราะเหตุอะไรฟังตรงนี้จับความได้ใช่้ยว่าไปยึดถือกายเป็นตนก็ยึดถือเป็นนามเป็นตนเนี่ยยึดถือกายเป็นต น, นชอบกว่าแต่การไปรยึดถือจิตเป็นตนเนี่ยไม่ชอบเลยนี่คือเหตุผลของพระอริยะนะเราเหตุผลของเราไปคิดแล้วเราต้องพูดกับตาลปัด ต้องพูกับตสารปัตตว่าที่เราเห็นจิตเป็นตนเนี่ยชอบแล้วเห็นกายไม่ใช่ตนนะ่ะไม่ยังไงมันก็ชอบเหมือนกันไม่ไม่ควรจะเป็นตนนะเพราะอะไรไอไอกายเป็นตนเนี่ยมันมันไม่ควรจะไปยึดเพราะมันแก่ตายเห็นเห็นแ่มั้นล่ะแต่จิตเป็นตนเนี่ยมันไม่แก่ตายเห็นเห็นเราแก่แล้วยังจําได้ว่าละเราเคยหนุ่ม เ ร, เราเห็นจิตเป็นตนเนี่ยชอบแล้วเห็นกายไม่ใช่ตนนะ่ะไม่ไมยังไงมันก็ชอบเหมือนกันไม่ไม่ควรจะเป็นตนนะเพราะอะไรไอ้ไอ้กายเป็นตนเนี่ยมันมันไม่ควรจะไปยึด่เพราะมันแก่ตายเห็นเห็นใช่ไหมละ่ะแต่จิตเป็นตนเนี่ยมันไม่แก่ตายเห็นเห็นเราแก่แล้วเรายังจําได้ว่าเราเคยหนุ่มเราหายป่วยแล้วยังจําได้ว่าเราเคยป่วย ดีไม่ดีตายไปเกิดใหม่เร่งจำชาติเก่าได้จึงน่าจะถือเป็นตนอันนี้เหตุผลของเราแต่เหตุผลของท่านนะ่ะบอกว่าจิตมันเกิดดับเร็วจึงไม่น่าไปถือเป็นตนรูปน่ะเกิดดับช้าน่าจะถือเป็นตนมากกว่าอ่าจริงไหมละ่ะเพราะไอ้ของเกิดดับเร็วเนี่ยมันมันเปลาะบางมากแต่เพราะมันเกิดดับเร็วเราเลยไม่เห็นความเกิดดับมันละเอียดมากเลยนะ่ะ เลยไม่เห็นว่าเกิดดับก็เลยสำคัญว่าเป็นก้อนเป็นแทง่งไอของเกิดดับชา้าเราจับได้ไยทันเราก็เลยเห็นความไม่เป็นก้อนเป็นแท่งของมันชัดเจนหน่อยเหตุผลเราก็ไปอย่างเหตุผลพระไปอย่างนิบพระกำลังสแสดงเหตุผลพระท่านกำลังให้เหตุผลว่าเพราะอะไรตรัสว่าเพราะกายอัน เป็นที่ประชุมแห่งมหาบูจะรู้ทั้งสี่นี้เมื่อดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสามปีสปีห้าปีสิบปียี่สิปีสาสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีร้อยปีบ้างยิ่งกว่าร้อยปีบ้างย่อมปรากฏใช่ไหมคือแม้แต่สิบปีก็ยังยังน่าจะถือว่าเป็นตนอยู่แล้วแหละเพราะยังไงก็ยังช้ากว่าจิตเกิดปีแรกตายปีสิบ จิตไม่ต้องรอถึงปีไม่ต้องรอถึงเดือนไม่ต้องรอถึงวันอ่าอันนี้ท่านตรัสอย่างหยาบๆให้เห็นนะที่ฟังกันได้แต่ว่าตาขาคตเรียกกายคือรูปก น, นามในบางทีท่านก็เรีย ก, กว่ากายด้วยกันอย่างคำว่าสักกายเป็นต้นนะก็ไม่ได้หมายเฉพาะร่างกายความยึดถือกายตนเนี่ยหมายถึงทั้งรูปทั้งนามเลยก็ได้ จึงตัดในที่นี้ด้วยคําว่ากายเช่นเดียวกันที่เรียกกายนี้ว่าจิตบ้างมโนโบั้งวิญญาณบ้างเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนคือเนี่แปลว่าไม่ต้องข้ามวันดูก่อนภิกษุทั้งหลายวานอนเมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่จับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้นยึดเอากิ่งอื่นปล่อยกิ่ง ที่ยึดเดิมเหนียวกิ่งใหม่ต่อไปแม่ฉันใดกายคือจิตบางมโนโบางวิญญาณบางจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งกลางวันและกลางคืนก็ฉันนั้นแหละคือมันเปลี่ยนไปทั้งตัวจิตทั้งอารมณ์แหละเปลี่ยนไปเรื่อยเลยเราเนี่ยวันหนึ่งอย่างน้อยเราก็สวมเสื้อผ้าอยู่วันหนึ่งหละจำไว้ละไม่เปลี่ยนแต่จิตนี่เรเกิดแล้วต้องมีอารมณ์ พอมันดับมันทิ้งอารมณ์แล้วก็จากอารมณ์หน่วยใหม่ต่อไปตรงนี้แหละที่อาจารยาสั้นแก้เป็นอย่างวิอารมณ์วิปัสนาให้เห็นไปโดยลำดับตั้งแต่หยาบไปหาละเอียดเลยเข้ายานสามยานสี่แล้วก็เข้าการกำหนดเห็นความเกิดดับหยาบไปถึงละเอียดผมขออนุญาตอ่านให้ปรากฏก็ขอ ฝืนใจหน่อยทั้งที่รู้ว่าฟังด้วยความอื่อก็จะขออ่านนะอาถรรพาท่านวางนี้ครับบอกว่าถามว่าเพราะเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอย่างนั้นอย่างนั้นหมายถึงว่ารูปอยู่ตั้งร้อยปีขึ้นชื่อว่ารูปที่ตั้งเกินร้อยปีมีอยู่หรืออย่าว่าแต่ตั้งเกินร้อยปี ตั้งเกินปีถึงปีในเชิงวิปัสนาเอาละเอียดแล้วไม่มีนะนี่แต่ว่าเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี่อย่าลืมว่าไม่ใช่พวกเราอย่างนี้นี่เรียนอวิธรรมอะไรกันมาวนๆเวียนๆกันอยู่อย่างนี้ก็ค่อยๆสะสมแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนกับคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธมาเลยทํำยังไงถึงจะต้องดึงอารมณ์ดึงความเข้าใจในหลักยอมรับในหลักขึ้นมาจากที่เขารู้ขึ้นมาโดยลําดับ น, นี้เป็นปาระ ที่ท่านจึงต้องแสดงไม่ใช่แสดงเข้าละเอียดเหมือนอย่างที่แสดงแกพระอรหันต์เหมือนในพระสูตรหลายๆสูตรอัตถกาถาท่านก็บอกว่ารูปที่เป็นไปในปัสมวัยย่อมอยู่ไม่ถึงมัดชิมวัยจริงไหมอันนี้ก็เป็นเป็นมองความสืบต่ออย่างคร่าวๆรูปที่เป็นไปในปัจจิมวัวอยู่ มัจิมวัยรูปที่เป็นไปในมัชจิมวัยอยู่ไม่ถึงปจิมวัยรูปที่เป็นไปในก่อนอาหารไม่อยู่ถึงหลังอาหารรูปที่เป็นไปหลังอาหารอยู่ไม่ถึงปฐมมามรูปที่เป็นไปในปฐมยามอยู่ไม่ถึงในมัชจิมยามรูปที่เป็นไปในมัชจิมยามอยู่ไม่ถึงปจิมยามแล้วอัตถกาถาทางกะทิงท้ายว่ามีอยู่ไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือถามว่าไม่ใช่หรือ ก็ต้องว่าใชน่นี่คือท่านพูดถึงอารมณ์กรรมฐานแล้วที่ท่านพูดมาเนี่ยเวลาเห็นจริงๆเนี่ยมันค่อยๆลัดเข้ามาเข้ามานะลูกกินแล้ว ก, กินเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ไอาดอาหารความร้อนความเย็นไอ้ความแพร่ความเป็นสัปพายะเนี่ยมันจะมีปรากฏให้ให้เราได้เห็นหลายด้านเดยกันหัวพันไอบ้บางบางอำนาจของอาหารก็สิ้นไปก่อนอย่างเช่น เรากินอาหารซดแกงร้อนนานไม่กว่าจะหายร้อนหายร้อนก็หายหิวใครไปก่อนกันมันไม่ไม่เท่ากันไอ้หายหิวก็ไอความเป็นอัตรายาของอาหารใครไปก่อนกันอคนแพ้อาหารก็จะรัวนะไอพวกเนี้ยมันจะปรากฏแล้วก็คนทำวิปัสนาเนี่ยมันมันเห็นหมดอนะ่ะมันอยู่เฉยเฉยเนี่ยไม่ต้องพยายามมามจะ อธิบายบอกได้ว่า อ, ออะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นมันถึงมีอายุแตกต่างกันเร่องนี้ท่านก็กล่าวต่อไปว่ารูปที่เป็นไปในเวลาเดินไม่ถึงเวลายืนรูปที่เป็นไปในเวลายืนไม่ถึงเวลานั่งรูปที่เป็นไปในเวลานั่งอยู่ไม่ถึงเวลานอนคำพูดพวกนี้สันส้นๆแต่อธิบายเป็นหลักลึกแล้วโอ้ใหญ่โตเลยว่า นั่งนอนเอารูปอะไรรูปอะไรไปเมื่ อ, อไรเอาจิตใช้รูปเอาอุตุใช้รูปเอารูปที่เป็นปัจจัยสืบเนื่องซ้อนกันหรืออย่างไรในทางหลักก็มีอธิบายไว้สิ่งเหล่านี้แต่ตรงนี้ทางกระพูดเป็นให้เราเห็นง่ายๆเพราะฉะนั้นที่ถามว่าท้องพองกระท้องยุบเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันรูปเดียวกันหรือคนละรูปจิตสั่งให้ท้องพองท้องยุบเป็นจิตเดียวกันหรือคนละจิต จิตสั่งให้พองต้นก็พองกลางพอ ง, พองปลายมันจะยุบแลว <laughs> มันก็ต้องสั่งอยู่ดีนะฮะเป็นคนละจิตหรือจิตเดียวกันที่อาจารย์กรรมฐานชอบถามพวกเราไม่ต้องตามเราก็ตอบได้ใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์ถามให้เราตอบเนี่ยตอบเอาให้ตอบตามอะไรตอบตามตำราหรือตอบความรู้สึก นี่แหละครับอาจารย์หมายแยกเป็นสองพวกไม่ได้ตอบเอาคะแนนนี่หรือตอบเอาอย่างอื่นนะตอบแบบสอบอารมณ์แบบตอบเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้พิเคราะห์ว่าตัวเข้าถึงอะไรบางอย่างบ้างหรือไม่หรือให้ฝากสังเกตปรากฏการณ์ของรูปเหล่านี้แล้วพอเวลาเห็นเนี่ยคนมันหวมหบมากไม่ได้นะครับมันต้องเห็นแบบค่อยๆลัดเข้าไป แล้วก็ต่อไปท่านกล่าวว่าแม้ในอิริยาบถหนึ่งรูปที่เป็นไปในเวลายกเท้าในพุนธิยาบทเดินพุทิยาบทเดียวเนี่ยนะไม่อยู่ไม่ถึงเวลาย้ายเท้ารูปในเวลาย้ายเท้าอยู่ไม่ถึงในเวลาย่างเท้ารูปที่เป็นไปในเวลาย่างเท้าอยู่ไม่ถึงในเวลาหย่อนเท้ารูปที่เป็นไปในเวลาหย่อนเท้าอยู่ไม่ถึงในเวลาเหยียบพื้น ไม่ใช่เหยียบเทา้าเหยียบพื้นลงเทา้ทาๆมาตลอดไปตอนนี้กลายเป็นพื้นไปแล้วไม่ถึงเวลาเหยียบพื้นรูปที่เป็นไปในเวลาเหยียบพื้นอยู่ไม่ถึงในเวลายันพื้นไอตรงนี้ความจริงยังอยากไปอีกความจริงแล้วจิตจะใช้รูปมันต่อกเป็นห่วงๆสายเดินจมกรมกาเก่งเก่งที่จะอธิบายตรงนี้ได้ดี สังขารต่อไปสังขารทั้งหลายที่เนื่องด้วยความสืบต่อท่านก็เรียกปฏิบัตฉันใดแม้ในทีน่นี้กายนี้ท่านแสดงให้เหมือนตั้งอยู่ตลอดนานอย่างนั้นเ้ื่อำนาจความสืบต่อก็ฉันนั้นตรงนี้อ่านแล้วฟังย่างอธิบายนิดน่ยคือเวที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าตั้งอยู่ร้อยปีอย่างเนี้ ท่านพูดแบบสันตติที่รัดเข้ า, าอาจากน้อยไปหามากแต่เวลาเห็นเนี่ยเห็นเป็นหน่วยๆอารมณ์วิปัสนาแล้วคนที่เห็นเป็นหน่วยๆแล้วเวลามองมากหน่วยเนี่ยมันมองได้พูดหมายให้พูดเป็นแบบสันตติอะทานองว่าเราเทียมง่ายๆว่าเวลาที่เรานั่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอ่าถ้ า, ถ า, ถ า, ถาสมมติเราคนทําแบบนั่งพองยุบสักประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะฮะ ก็คือนั่งจนจำนานแล้วก็พา ร, รูเหมือนจำนานว่าเรานั่งได้หนึ่งชั่วโมงแล้วเห็นไอ้ปรากฏการของรูปเนี่ยมันฟ้องเลยบอกมันเหมือนบอกเวลาอันนี้เรียกว่ามองเห็นสันตติในช่วงหนึ่งชั่วโมงอย่างกรณีคนที่ตั้งเวลานั่งหนึ่งชั่วโมงหรือเวลาเดินเดินเนี่ยสมมติเราเดินเดินถึงสามชั่วโมงเนี่ยอย่างที่ผมเคยเดินอยู่เมืองไทยก็ไม่เคยเดินสชั่วโมง ไปพ่อมาอาจารย์เขาเขาให้เดินเราก็เดินตามอาจารย์เดินสามชั่วโมงเพราะมันจะมาตอนหลังๆมันขยายสามชั่วโมงเราชักกําหนดผิดไว้เต็มสามชั่วโมงบางที่มันขาดสิบห้านาทีวางทีมั น, ม, นมันขาดสิบนาทีแต่ว่าถ้าลองสักสองชั่วโมงอะไรเนี่ยเรากําหนดเวลาได้แน่นะฮะพรไอ้ให้เดินสามเนี่ยให้มาเดินที่หลังเราก็ยังไม่ชานาญเพราะนั้น ความสืบต่อในกรณีใดๆของรูปของนามของผู้ที่ทําชํานาญแล้วย่อมเห็นได้และกล่าวว่าเดินในภาษาของคนเห็นความสืบต่อของรูปของนามเป็นการพูดโดยโลกอวหานและพูดอย่างปรมัตถวหานแล้วก็พูดไปเรื่องของความสืบต่อของจิตจะรูปของกลุ่มรูปที่สืบต่อกันในกรณีของการที่สมมติว่าเดินอ่านี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ท่านพูดถึงรูปก่อนนะ พูดรูปการนี้อธิบายเรื่องอายุของนามสูตรนี้ได้พูดเทียบอายุรูปอายุนามไว้เป็นในด้วยอันนี้อารย์ถาจะแก่อาจารย์ถาแก้ว่าจิตใดเกิดขึ้นและดับไปในเวลากลางคืนจิตดวงอื่นนอกจากจิตดวงนั้นแล้ย่อมเกิดขึ้นและดับไปในเวลากลางวันอันนี้นะ่ะไม่ควรกล่าว หรือเข้าใจในอัดอย่างนี้ว่าจิตดวงอื่นเกิดขึ้นจิตดวงอื่นที่ยังไม่เกิดนั่นแหละย่อมดับไปคือที่ท่านพูดว่าเกิดดับกลางคืนกลางวันเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าคนไม่ได้เรียนระวิดำกันชัดเจนอ่านแล้วอาจจะตีความเป็นอย่างต่างได้จิตที่บอกว่าเกิดดวงหนึ่งในเวลากลางวันเนี่ยจิตดวงนั้นหรือไปดับในเวลากลางคืนไม่ใช่ หมายความว่าตั้งวันก็ดีกันคืนก็ดีจิตเกิดเกิดดับดับทีนี้เวลาถ้าเราพูดถึงอย่างสืบต่อเราก็บอกว่าจิตประเภทเดียวกันในขณะโกรธมันเหมือนจิตดวงเดียวโกรธจิตต่อกันเป็นจิตโลกเหมือนจิตดวงเดียวโกรธอยู่ยืนอยู่ตั้งนานอันนี้พูดอย่างคนที่ไม่ได้เห็นความเกิดดับหรือบนฐานของความเกิดดับหรือในขณะที่คนนอนหลับ หลับหกชั่วโมงก็เหมือนจิตดวงเดียวหลับอยู่หกชั่วโมงก็ไม่ใช่จิตดวงเดียวทีนี้มีข้อความที่ท่านกล่าวว่าจริงอยู่หลังจากที่ท่านบอกว่าจิตที่ตั้งอยู่ทั้งคืนทั้งวันหรือครึ่งคืนครึ่งวันเนี้ไม่มีหรอกจริงอยู่ในขณะดีดนิ้วครั้งหนึ่ง ตรงนี้เวลาแปลนี่ก็บางท่านแปลว่ารัดบางท่านแปลว่าดีดอัจฉรินะรัดหรือดีดไอ้ไอ้โดยโดยระยะเวลาเนี่ยมันก็อันเดียวกันนะรัดคือเอาเข้าดีดคือเอาออกในนี้แปลว่ารัดบางแห่งเขาแปลว่ า, าในนี้แปลว่าดีดบางแห่งแปลว่ารัดโดยเวลาแล้วเท่ากันเหมือนคู่แขน คูแขนที่เหยียดเข้าเหยียดแขนที่คูออกอย่างน้ำโนวนในประสูนนะก็พูดคู่กันไปเลยว่าทั่วคูแขนที่เหยียดเข้าเอาอันเดียวนะพูดคู่แต่เอาอันเดียวรกรณีนี้สตรจะพูดเป็นว่ารัดหรือดิดทั้งสองอย่างก็ให้หมายเอาส่วนเดียวจิตเกิดขึ้นหลายแสนโกดดวงนี่คือหลักฐานครับหลักฐานที่ว่าจิต ลัดนิ้วมือเดียวจิตเกิดขึ้นหลายแสนกูดแต่ว่าในหลักฐานท่านใช้ว่าหลายแสนโกดดวงไม่ได้พูดว่าแสนโกดขณะไอ้ดวงก็ขนาดแหละแสนโกดมันหมายถึงจํานวนเท่านั้นเลยก็มีพวกเราบางคนที่เป็นนักวิทยาการทํางๆมาอาัปคํานวณไปคํานวณ ว, ว่าไอ้รัดนิ้วมือเดียวเนี่ยมันกินเวลาเท่าไหร่แสนโกดขนาดแล้วพยายามจะซอยมันนี่มีพวกเราเป็นเป็นอ่า ครบาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงนะท่านก็เอาไปคำนวณอย่างนี้จากเกณฑ์ว่าแสนกดกันนะทีนี้พอหลายขึ้นมาก็เลยไม่รู้ตั้งไรคือมันมันมากเหลือเกินนะความเกิดดับเนี่ยฟังแล้วก็ไม่น่าจะรู้กันได้ท่านจึงได้กล่าวว่าสมจริงทังที่ท่านได้กล่าวไว้ในมิลินทปัญหาว่ามหาบาพิษเข้าเปลือกร้อยเล่มเขวียนหนึ่งบ้านเจ็ดสกัดสองธนานไม่ถึงการนับ คือไม่ถึงเซี่ยวไม่ถึงส่วนของเซี่ยวแห่งจิตที่เป็นไปในขณะดีดนิ้วครั้งเดียวนี่ท่านพรนาคเษนพูดจำนวนเม็ดข้าวเปลือกอย่างที่ว่านี่ก็เป็นหลักฐานเอามาพูดสู่กันฟังตรงนี้หน่อยเอาละผมจะขอเลยไปถึงเรื่องของ การกําหนดหมายถึงการอย่างรู้ในประเด็นสุดท้ายเนี่ยผู้ช น, นิดเนี่ยนะว่าการเลื่อนชั้นแห่งการรู้เห็นการรู้เห็นนั้นเลื่อนชั้นจากหยาบไปหาละเอียดแล้วเมื่อรู้ละเอียดแล้วก็เห็นความหยาบอย่างเป็นละเอียดนะฮะคือหมายถึงเวลามองเห็นอะไรเป็นหน่วยอะไรมองเป็นตลอดหน่วยเลยได้นี่คือผู้ที่จานานแล้วอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นะอ่า เรื่องของความเกิดดับเนี่ยก็เวลาคนทําวิปัสนาเนี่ยก็มีการสดับรับฟังเป็นอาธิพรมอาจารย์แล้วก็ตรายตรองตามธรรมที่ได้ฟังมาแล้วเอาไปตรายตรองพิจารณาให้เข้าใจชัดเจนแล้วก็ตรายตรองแล้วก็ไปเจริญภาวนานะเจริญภาวนาแล้วก็จะได้เห็นความหยาบไปสู่ความละเอียด แล้วก็เห็นสมมติไปสู่ปรมัตา่าสมุติก็อาศัยได้นะครับอย่างตัวอย่างที่ได้ว่ามาจํานวนมากมายเนี่ยเอ อ, อย่างกรณีของพระบางองค์เนี่ยท่านเริ่มที่ปรมาภะเลยนะฮะอย่างเช่นเริ่มที่ปิติอิทมีปิติอย่างลายที่ผมว่าจะเล่าเมื่อกี้ว่าพระองค์หนึ่งที่ชื่อว่าสัปปะทาสะสัปปะแปลว่างู ภาษาแปลว่าธาตุตามชื่อของท่านไม่ได้แปลว่าท่านเป็นธาตุงูแต่งูเป็นธาตุท่านที่ว่าสัปปะธาตุพระองค์นี้ออกบวช ด, ด้วยศรัทธาอย่างยิ่งเมื่อมาบวชแล้วก็ปรากฏว่าเกิดจิตคิดกรสันอยากแสกแต่ความคิดมันต่อสู้กันใจหนึ่งก็อยากสึกใจหนึ่งก็อยากบวชแสกไปก็ลังเกียจเพศฆราวาสใจบวชอยู่ก็มันร้อนอยู่ไม่ได้ก็มีทางเดียวครับ ที่จะไม่ต้องไปเป็นฆร า, าวาสแล้วก็ไม่ต้องอยู่เป็นพระทําไงดีฆ่าตัวตายท่านวางแผนดีมากเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกก็มีแต่ว่าเขาอยากสืเ ก, กิดไปเป็นฆร า, าวาสอยากบวชก็เป็นฆร า, าวาสมาเป็นพระนี่ฆร า, าวาสก็ไม่อยากเป็นพระก็ไม่อยากเป็นก็เลยก็อยากตายอย่างนี้กันสมควรแล้วไม่มีทางอื่นแล้วทํายังไงล่ะ ท่านก็คิดวางแผนว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะตายสินะก็วันหนึ่งพวกพระหิวมอมาใบก็ถามว่านั่นมออะไรพระก็เพื่อนพระบอกว่านี้มองูจับได้จากในวิหารจะเอาไปทิ้งที่อื่นงูนะไม่ใช่ไอเค พระองค์นั้นก็บอกว่าไม่เป็นไรผมอาส า, าไปทิ้งให้ความจริงไม่เหรอครับได้ครึ่งมือฆ่าตัวตายแล้วก็รับหม้อใบนั้นมาหลบไปนั่งที่รับตาเปิดฝาหม้อนั้นออกแล้วก็ตะแข็งให้งูมันออกมากัดตัวเองูมันก็ง้อยไม่ออกมากัดพอไม่ออกมาทําไงก็ใช้วิธีเอามือล้วงเข้าไป ล้วงควันควานให้มันโมโหไม่ได้กัดมันก็ไม่กัดอ้าวล้วงก็ไม่กัดทําไงนี่จับหัวมันขึ้นมาเลยให้มันอ้าปากบีบให้มันอ้าปากแล้วนิ้วแหย่เข้ามาในปากแย่นิ้วไหนมันก็ไม่กัดสักนิ้วก็ท้อใจว่าแม่งูไม่ให้ความรู้มอก็นึกว่าไอ้นี่ถ้ามันจะเป็นไม่ใช่งูพิษแน่เขาเรียกว่างูเรือน ไม่ใช่ไม่ใช่อสราพิษคืองูเห่าก็เอาไปทิ้งทิ้งไปเลยะไม่ทิ้งในที่สงเดชด้วยเพราะเห็นว่ามันไม่กัดคนก็เดินออกมาพระองค์ถือหม่อมาเจอบอกนี่ท่านไปทิ้งงูแล้วเหรอบอกไม่ต้องพูดถึงเรื่องทิ้งแล้วงูนี่มันงูเลือนไม่ใช่อสรพิษเพราะผมให้มันกัดท่าไหนท่านไหนมันก็ไม่กัดผมเลยพระองค์นั้นก็ไม่สาบไม่สืบสามว่าทําไมไม่กัดไอ้ทําไมไปให้งูกัด ก็เดินไปทีนี้ไปแล้วก็เรื่องมันก็น่าจะจบนะพระองค์นั้นหาวิธีฆ่าอย่างอื่นอย่างที่ว่าวันหนึ่งมีช่างกระระบบเข้ามาในวัดมีมิดโกนมาสามเล่มกําลังโกนหัวไอ้พระพระองค์นี้ก็ทําดีไปเข้ากิวไม่จะโกนหัวด้วยแต่ไม่แล้วครับไปหยิบเอามิดโกนพระมีดโกนช่างกระระบบมาอันหลบเข้าไปที่โคนต้นไม้ยืนพิงต้นไม้เอามิดโกนออกมาจะปาดคอตัวเอง <laughs> ฟังแล้วมันเสียว ทีนี้เลอกจากว่าท่านเนี่ยมีศรัทธาก่อนไหนๆจะปาดแล้วก็ตั้งอารมณ์ก่อนตายให้ดีว่าเราตั้งแต่บวชมาเนี่ยเรารักษาศีลบริบุตรบริสุทธิ์ไม่เสียหายไม่ขาดไม่วินไม่ดังไม่พร้อยพอพิจารณาถึงความบริสุทธิ์ของศีลแล้วปีติเกิด อ, อบอิ่มไปทั่วทั้งตัวก็เลยตั้งวิปัสสนาคำฐานขึ้น จากที่ได้ยินได้ฟังมากําหนดปีตินั้นเอานามปีติเป็นอารมณ์เลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พอประจวบเสร็จอะไรเสร็จก็เอารีบเอาไมิตรโกนถือเข้าไปท่ามกลางสงฆ์ที่กําลังเข้ากิวโกนผมปลงๆกันอยู่ก็เอามาคืนก็เลยถามว่าเอานี่ท่านหายไปไหนมาแต่ไม่ได้ถามวึาามว่าขโมยมิโกนแล้วนะก็บอกว่าเนี่ยผมไปมาอย่างงี้ ก็เลยเล่าโดยพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พ, พ, พระพุทธเจ้าท่านก็ยืนยันว่าพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วและพระทั้งหลายก็พาคันถามว่าพระอรหันต์ผู้มีอุปนิสัยอรหันต์นี้ยังมีจิตมีอุปนิสัยโน้มไปสู่การทําอั ต, ตะวินิบาตกรรมอีกหรือเพราะอะไรทั้งมีเพราะอะไรและ ทำไมไอ้งูมันถึงไม่กัดพระทั้งที่เป็นงูงูเห่านะเพืออ่อนปลาองค์นก็บอกว่าเวลากว่าจะจับได้เนี่ยโอ้จับลำบากมากมันกูฟอฟอฟอแผลว่าเบียดด้วยแต่กระพระองค์นี้กลายเป็นงูเขียวไปเลยพระพุทธเจ้าก็ตอบว่ามีเหตุออนที่ฟังแล้วก็จำไว้ดีนะทำไมงูไม่กัด พลวงปูเจ้าบอกว่าเพราะงูตัวนั้นเมื่อชาติที่สามจากชาตินี้ถอยไปเคยเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์นี้ก็เข้าใจว่าพระองค์นี้คงเลี้ยงทาสดีนะมันถึงนซื่อสัตย์ข้ามชาติไปงูไปเงี้ยวอยังยังซื่อสัตย์เลยไม่ยอมกัดไม่รู้มันรู้อีท่าไหนขอมันนะแต่ว่าไอเรื่องกรรมเนี่ยครับมันมันเรื่องกรรมเรื่องอุปนิสัยอะไรในการรู้สึกเนี่ย บางทีมันให้เหตุผลไม่ได้ไอตัวคนเป็นยางงั้นมันก็อธิบายไม่ได้ทำไมถึงเป็นยังนั้นนะคราวนี้อีกปัญหาหนึ่งว่าทำไมถึงถึงคิดจะสึกถึงขนาดจะฆ่าตัวตายไม่ใช่คิดสึกคิดสึกอันหนึ่งแล้วก็ทำไมถึงถึงจะไม่อยากสึกแลวอยากฆ่าตัวตายถึงบวชเป็นพระอยู่ไม่ได้เอางี้ก็แล้วกัน พระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าเพราะว่าในสมัยพระพุทธกสปะเนี่ยพระองค์นี้เคยบวชเป็นพระในสมัยพุทธเาพระองค์นั้นแล้วก็มีเพื่อนพระองค์หนึ่งก็อยากเสียสุดตัวเองกท็ทีแรกทําตัวเป็นกาลยานมิตรดีๆพูดถึงโทษของกรวาฏผูกคลองเรือนไม่ดียังไงอย่างนี้พูดถึงคุณของบรรพชิตบรรพชาว่าดียังไงอย่างนี้พระองค์นั้นกําลังได้กําลังใจเป็นกลา่าวๆในวันหนึ่งหลังจากที่พูดปลอบใจแล้วพระองค์นั้นก็เอาอัฐิบริการมาทําความสะอาดที่ริมสระ ซึ่งพระองค์ปลอบใจก็มานั่งอยู่ด้วยพระองค์นั้นตอนนั้นใจดีแล้วก็เลยขอบอกขอบใจขอบคุณแล้วก็บอกว่าเนี่ยทีแรกผมก็นึกว่าถ้าผมศึกไปผมจะยกให้ทายทันในหมดเลยพวกนี้การนี้ข้างขวายพระองค์นี้นก็เลยนึกว่าเอ๊ะรู้อย่างนี้ให้ศึกก็ดีอะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่คราวนี้เลยพูดยุให้ศึกพอพูดยุให้ศึกพระองค์นั้นเกิดยุกขึ้นมาแล้วว่ไอ้นี่ทีแรกพูดอย่างวันนี้พูดอย่าง นี่อยากได้ของผมนี่เลยไม่สึกนะเลยทั้งคู่ไม่สึกแต่ที่ไปพูดไว้ยอย่างนี้น่ะด้วยอํานาจของอากุศลจิตเนี่ยนะฮะไม่ใช่ไอพูดติดไม่สึกด้วยเหตุผลอื่นไม่บาปมีแต่ด้วยอกุศลจิตอย่างนี้เป็นบาปเลยติดมาลบกวนความรู้สึกของตัวเองเมื่อบวชแล้วอะไรแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพุทธบอกว่าถ้าเรารักกรรมฐานต้องให้กําลังใจคนทํากรรมฐาน คนทำงานทางนี้เราถึงจะได้ได้ได้กำลังใจกับตัวเองอย่าไปขัดคอขัดขวางครับแต่ถ้าใครขัดไปแล้วตอนเมื่อก่อนไม่รู้ก็ก็แล้วไปแล้วจะได้เป็นผู้สนติดลงไปชาติหน้าตรงนี้ครับอ่านี่นี่องค์หนึ่งคันนี้ยกตัวอย่างอีกลายหนึ่งความจริงไลน์นี้นะ่ะเราได้ยินกันบ่อยแต่ได้ยินแบบปากเปล่าแล้ววันนี้ผมก็ต้องพูนแบบเป็นคำของผมอีกนะแต่ว่าคำในตำราจริงๆนะพูดเอาไว้ ชัดเจนลึกซึ้งดีคือเรื่องพระจุลปันทุกพระจุลปันทุกเนี่ยท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยผ้าขาวเนลมิตใช่ไหมเป็นบัญญัติด้วยเป็นของหยากด้วยอแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ท่านได้อ น, นิจจาสัญญาพระพุทธเจ้าให้ให้ขยำผ้าคลำผ้าละโจละนงัง แ, แล้ว่าผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเยื่ฝุ่นน่ะจากผ้าสีขาวบริสุทธิ์กลายเป็นเศร้าหมองท่านก็นึกว่า เออพระานนิมก็เหมือนจิตข้างเราอ่ะนะมันเศร้าหมองเหมือนลูกมือนนามของเราอะนะ <S <S เป็นจากของอย่างหนึ่งก็กลายไปลีอย่างหนึ่งเป็นของไม่เทียงอานิจะจารสัญญาเกิดขึ้นกับท่านท่านก็พิจารณ้อมเข้ามาหาลูกหาหนามแล้วก็ตั้งอานิจจสัญญาได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตออ์บางองค์ก็ อ, อ่าอย่างนี้ฮะอย่างเช่นพระพวกหนึ่งในในธรรมบทเล่าไป เดินทางมาจากที่อื่นคณะใหญ่แล้วก็นั่งตั้งวงคุยกับเรื่องแผ่นดินดินเกียวดินเหลืองดินฟุ่นดินทรายดินอะไรพวกนี้พระพุทธเจ้าท่ารู้อุปนิสัยด้วยท่านก็เสด็จมาเาคุยเรื่องอะไรพระก็บอกคุยเรื่องแผ่นดินพระผู้มีพรภาคก็ตรัสว่าแผ่นดินที่เธอพูดถึงเนี่ยไม่มีประโยชน์รู้อย่างนั้นไม่มีประโยชน์แผ่นดินที่เธอรู้และมีประโยชน์คือแผ่นดินภายในแผ่นดินภายในคืออัตภาพรูปนามของเรานี้เธอควรรู้ควรศึกษาควรสนทนา ก็ให้กรรมาฐานพระเหล่านั้นก็ได้บรรลุเพราะแผ่นดินอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเทศน์ที่ท่านเอาอะไรแต่อะไรมาเป็นเชื้อทําให้บรรลุได้เพราะนั้นใบม้งใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยเป็นอ่าเชื้อได้ทั้งนั้นแล้วก็อยากจะพูดถึงอีกกลุ่มเรื่องอนนี้ก็คร่าวแล้วนะเวลาหมดแล้วคือเรื่องพวกที่เห็นไฟเนี่ยที่ผมเคยเอ่ยถึงเมื่อคราวที่แล้วแล้วก็ไปดูๆแล้วก็แต่ละคนนี่แตกต่างกัน พระองค์หนึ่งออกจากป่าไปทํากรรมฐานแล้วก็ออกมาเพื่อสอบอารมณ์กับพระพุทธเจ้าไฟก็เกิดกําลังไหม้ป่าท่านก็ขึ้นหนีไฟขึ้นไปบนยอดเขาโลนที่หนึ่งแล้วก็มองดูไฟไหม้เห็นไฟไหม้ป่าอยู่ต่อหน้าขณะนั้นก็พิจารณาถึงความที่ว่าไฟไหม้ป่าย่อมเผาผลาญสิ่ง ไม่เป็นใบไม้อะไรตออะไรนี่นะแล้วก็พิจนาย้อนกลับมาหาว่าเมื่อเราจเจริญกรรมฐานวิปัสสนามรรคผลของเราย่อมเผากิเลสได้ก็ได้ได้แง่ตรงนี้ก็เอามาจเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนบรรลุเป็นพระหลานจริงๆเลยแทนที่จะไปสอบอารมณ์กลับไปถวายาหลานตะคุณไปไ ป, ไปพยากรณกับพระพุทธเจ้าอีก องหนึ่งคือนางกีสาโกตมีนางโกตมีรูปร่างผ่ายผอมที่มีรูปตายแล้วไปขอเม็ดพันประกาศแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมาบวชบวชแล้วความจริงตอนที่มาหาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าได้ทรงใช้ให้ไปเก็บไปพันธุประกาศแล้วมาเทศจนบรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนนะตอนหลังก็มาบวชในสำนักของพระนางมหาประชักดีโกตมีแล้วก็ได้ประพฤติวิปัสสนากรรมฐาน แล้วก็ภิกษุณีเนี่ยเขาจะมีเวนมาทําความสะอาดโลงโบสถพัดกันมาก็เรียกว่านานๆมากันทีกันเดียไม่ไ ม, ไม่บ่อยนักในโลงุโบสถก็จะต้องตามประที่ประรอะไรนะครับตามคติของอินเดียเขานางกีสาโคตมีนั่นก็มาอยู่ในโลงุโบสถนั้นแล้วก็ตามประที่เขานั่งอยู่เพ่งความดับไปของเปลวพระที่เป็นช่วงๆเนี่ยครัที่โดนลมพัดไปทางนั้นทีทางนี้ทีแล้วก็น้อมเข้ามาหา นามรูปภายในเย็นความเกิดความดับบรรลุเป็นพระ้าน น, านี่นี่ลายนึงอีกลายหนึ่งคื อ, อนางที่เล่าข่าวที่แล้วแล้วผมก็คัดเนื้อความในนั้นมาแจกให้ด้วยนะเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวคือนางอั ญ, ญัตตราภิกษุณีที่บรรลุในครัวฮะในที่หุงข้าวบรรลุเป็นอะไรนั่นบรรลุเป็นพระอนาคามีในที่นั้นเลย และอีกลายหนึ่งที่คล้ายกันคือนางอุบลวรรณาเถรีององนี้แปลกหน่อยเพราะว่าองค์ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเอาไฟเป็นอุทาหรณ์ของพระไตรลักษณ์และทําวิปัสสนาเลยแต่นางอุบลวรรณาเถรีนั้นได้มาเข้าเวรในโรงอุโบสถแล้วก็ตามประทีปยืนดูประทีปไม่ได้นั่งก็เพ่งกระสินเตโชกระสินได้ชาน ได้อวิญญาแล้วก็เอามาต่อวิปัสนาบรรลุปเป็นพระลานท่านี้ก็เป็นความแตกต่างกันวันนี้เรายุดติเท่านี้นะครับหยุดไปหนึ่งอาทิตย์แล้วพบกันในวันเสาร์ถัดไปเข้าใจว่าจะเป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดแล้วก็หยุดอีกหนึ่งเสาร์ถัดจากนั้น ไปพบกันอีกทีหนึ่งวันเสาร์ที่วันเสาร์ต้นวิจิกาแล้วก็วันเสาร์กลางวิจิกาหลังจากนั้นก็จบแล้วก็ต่างคนต่างไปกันแล้วกันตัว